จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27มกราคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบา ร, รมีเพราะเชื่อว่าบุญบา ร, รมีนี่แหละคือเหตุที่จะนำไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงไม่ใช่อย่างอื่นบุญบา ร, รมีนี้ทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีฐานะแตกต่างกันไปเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้าง เป็นคนรวยบ้างเป็นคนจนบ้างเป็นคนฉลาดบ้างเป็นคนโง่บ้างเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามบ้างไม่สวยงามบ้างมีอายุยืนยาวนานบ้างมีอายุสั้นบ้างเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่เกิดมาจากการบำเพ็ญบุญบราร ม, มีมาในอดีตนั่นเอง ถ้าบำเพ็ญมาน้อยความสุขความเจริญก็มีน้อยถ้าบำเพ็ญมามากความสุขความเจริญก็จะมีมากเพราะนี่คือหลักของกรรมหลักของเหตุและผลผลนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุเช่นผลผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นสับ ป, ประรดเป็นมะละกอ ก็ต้องมีเหตุที่ทำให้มันปรากฏขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความต้องการความอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะขอไปจนมันตายผลเหล่านี้ก็จะไม่เกิดตามมาต้องเกิดจากการที่เรานำเอ า, มาเมล็ดของผลต่างๆเหล่านี้มาปลูกในดิน และทำรูบบำรุงดูแลรักษาด้วยน้ำด้วยปุ๋ยคอยป้องกันวัชพืชต่างๆไม่ให้มาทำร้ายต้นที่เราปลูกอยู่ไม่นานสักระยะหนึ่ง <c oughs> ก็จะได้ออกดอกออกผลให้กับเราอยากจะได้ผลส้มก็ต้องปลูกต้นส้มอยากจะได้มะละกอก็ต้องปลูกต้นมะละกอ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความอยากเฉยๆขอเฉยๆอธิษฐานเฉยๆจุดธูปเทียนสามดอกต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต่อให้จุดไปจนวันตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเหตุไม่ได้เป็นที่ตรงนั้นเหตุอยู่ตรงที่การกระทำของเราคือการสะสมบุญบารมีต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมา หลายพบหลายกลับหลายกัรจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนาเฉยๆไม่ได้เกิดจากการตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเฉยๆแต่จะต้องบำเพ็ญเหตุคือบุญบรารมีต่างๆถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือปรารถนาความยิ่งใหญ่ ความเจริญในทางโลกก็ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีเช่นเดียวกันเพียงแต่มีบา ร, รมีบางอย่างที่อาจจะบำเพ็ญไม่ได้ถ้าอยากจะไปทางโลกเช่นการบำเพ็ญศีลบา ร, รมีและเนคข ม, มะบา ร, รมีนี้จะเป็นเหตุที่จะให้ไปเจริญในทางธรรมมากกว่าถ้าจะเจริญในทางโลก บางทีก็ต้องผิดศีลบ้างเช่นจะทำสงครามต่อสู้ก็ต้องมีการฆ่าฟันกันถ้าไปทางโลกศีลบา ร, รมีก็จะจะไม่สามารถบงเพ็ญได้ครบถ้วนแต่ถ้าอยากจะไปทางธรรมอยากจะไปสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องมีการบาเพ็ญทั้งศีลบา ร, รมีและเนคขมมะบา ร, รมี ศีลก็ห้ก็คือศีลห้าในคำว่ารมีก็คือศีลแปคืออยู่วัดไม่หาความสุขจากทางโลกคือโลกียสุขเช่นสุขที่เกิดจากการหลับนอนกับคู่ครองสุขที่เกิดจากการรับประทานอาหารตามกำลังตามความต้องการหรือสุขที่เกิดจากการไปเที่ยว ไปดูไปฟังตามสถานที่ต่างๆความสุขเหล่านี้ต้องละถ้าอยากจะไปสู่ความสุขของนักบวช <c oughs> เช่นของพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่โดยทั่วไปแล้วบา ร, รมีอื่นๆก็ต้องมีบังเพนควบคู่กันไปไม่ว่าจะไปในทางโลกหรือในทางธรรมบารมีทั้งสิบนี้ก็มีอยู่1ิประการด้วยกันคือทานบา ร, รมี คือการให้ศีลบารมีคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเนคขมมะบารมีคือการบำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาบำเพ็ญเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขปัญญาบารมีก็คือการศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแสงสว่างนำ น, นำทาง เมตตาบรารมีก็คือการมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เดรัจฉานหรือกายทิพย์ทั้งหลายอุเบกขาบรารมีคือการทำจิตใจให้ปล่อยวางให้วางเฉยไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มี อธิษฐานบารมีคือมีความตั้งจิตตั้งใจให้มีวิริยะบารมีความขยันหมั่นเพียรและให้มีขันติบารมีคือให้มีความอดทนนี่คือบารมีทั้ง10บประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงได้บำเพ็ญมาก่อนแล้วและเห็นคุณค่าของ บุญบารมีทั้งสิบประการนี้เพราะได้ส่งให้พระองค์ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าพระองค์ปรารถนาที่จะไปทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ทรงเลือกทางที่จะไปเป็นศาสดาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระทรงปรารถนาที่จะต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่ให้ความสนใจกับการเป็นพระมหาจากักรพรรดิเพราะพระมหาจากักรพรรดนี้เมื่อตายไปแล้วก็ต้องกลับไปเกิดใหม่อีกต้องกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ เกิดไปต้องตั้งโรครากใหม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ยังต้องไปวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจากสิน้นคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีมาอย่างมากจึงทรงเห็นทะลุโ ป, ปร่ปปรงถึงทุกข์ที่มีอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่ปรารถนาที่อยากจะไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทางโลก ไม่ว่าจะเป็นมหาจักรพรรดิหรือเป็นมหาเศรษฐีก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่ชาติในปัจจุบันนี้เท่านั้นเมื่อหมดแล้วก็หมดไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไปทำใหม่ไปทุกข์ใหม่แต่ถ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตัสมาสมพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจุดของความสุขที่ประเสริฐเรียกว่าปรมังสุขขัง บรมสุขเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่พวกเราสัมผัสกันเป็นความสุขที่สลับเลือกลุผสมไปด้วยความทุกข์วันนี้เราสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ทุกข์สลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ความสุขของพระนิพพานนี้ไม่มีความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกระามเช่นไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายจะสูญเสียอะไรไปจิตของผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แต่ผู้ที่ยังไม่ไปถึงพระนิพพานอย่างพวกเราเวลาเราได้อะไรมาเราก็มีความสุขเวลาจเจริญราบยศเสริญเราก็ดีอกดีใจกัน แต่พอเสื่อมลาบเสื่อมยศมีนินทามีความทุกข์ปรากฏขึ้นจิตใจของเราก็วุ่นวายจิตใจของเราก็กระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความเจริญในทางโลกนั้นไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ในจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นมหาจากักรพรรดิมหากษัตริย์มหาเศรษฐีประธานาธิปดีนายกรัฐมนตรี คนเหล่านี้ยังต้องถูกความทุกข์คุกขามถูกความทุกข์คอยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา<ม>จึงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยถ้ามองด้วยปัญญาแล้วสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดก็คือพระนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งบวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหตอนนั้นมีพระชนมายุ 35, สามสิบพันษาหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงอายุ80พรรษา45่สิบหาปีใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์กังวลกับอะไรเลย ร่างกายจะแก่ก็ไม่ทุกขกับความแก่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ทุกขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายไปก็ไม่ไดมีความทุกข์กับกับการตายของร่างกายเลยเวลามีใครมาปองร้ายจะมาทําร้ายก็ไม่มีความทุกขและก็ไม่มีความโกรธ ด, ด้วยไม่คิดอาฆาตพยาบาทกับใครทั้งนั้นให้อาภายัยพรเห็น เห็นโทษของผู้ที่กระทำนั้นแหละจะต้องไปรับมันมันแสนสาหัสอยู่แล้วการที่คนเราคิดจะไปฆ่าผู้อื่นหรือได้ฆ่าผู้อื่นแล้วนี้จะต้องไปรับรับใช้กรรมอย่างหนักแต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะมองไม่เห็นมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นที่จะเห็นถึงผลของกรรม ที่จะตามมาต่อไปจึงไม่มีความรู้สึกจะต้องไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท พ, พูดที่จะคิดร้ายกับตนเลยเพราะเห็นแล้วว่าการกระทําเหล่านั้นมันมีโทษอยู่ในตัวของมันแล้วถึงแม้จะไม่มีตำรวจมาจับไปเข้าคุกเข้าตารางก็ตามแต่โทษมันมีติดอยู่กับใจแล้วคือนรกนั้นจะเป็น ที่ไปของใจดวงนั้นอย่างแน่นอนนี่คือความสุขทางด้านพระนิพพานทางด้านของทางของนักบวชทางธรรมเป็นอย่างนี้ไปเพื่อความสุขที่แท้จริงไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายกับอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าเราไปทางโลกยังอยากจะร่ำรวยยังอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีตำแหน่งมียศต่าง เราก็ยังจะต้องไปวุ่นวายไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาผู้ที่หลงอยู่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เวลาได้มาก็ดีอกดีใจพอเวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับบางรายก็ถึงกับต้องทำร้ายชีวิตของตนตามไปด้วยเพราะไม่สามารถทนอยู่กับใ น, ในสภาพที่ไม่มีอะไรหลงเหลือติดอยู่กับตนเลยเพราะบงเพ็ญไปในทางที่ผิดนั่นเองดังนั้นผู้ฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าจึง สอนให้เราบำเพ็ญไปในทางที่ถูกที่ควรไปในทางที่จะนำเราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดแห่งการแห่งความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องมาสอนให้พวกเรามาหมั่นบำเพ็ญบุญบารมีกันทางบารมีก็คือให้เราให้เสียสละเงินทองเข้าของ ที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ส่วนที่เรามีความจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้นั้นเราก็เก็บเอาไว้แต่ถ้ามีเหลือก็ให้เอาไปทำบุญเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นเพราะเป็นเหมือนกับนำเอาไปฝากในธนาคารบุญถ้ายังต้องไปเกิดในชาติหน้าต่อไปก็จะได้ไปเกิดอย่างสุขอย่างสบายมีข้าวของเงินทองต่างๆ ไว้คอยดูแลอย่างเต็มที่เกิดจากอนิสง์ของการให้ทานนี่เองและจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผองใสและบารมีข้อที่สองที่ทรงสอนให้บําเพ็ญก็คือศีลบารมีให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักษรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาหรืออบายามุขต่างๆสงสอนให้ละเว้นเสียเพราะจะได้ไม่นำผลที่ไม่ดีตามมาผู้ที่ทำผิดศีลแล้วจะต้องรับผลของของกรรมที่ตนได้ทำไว้เบื้องต้นจิตใจก็มีความรุ่มร้อนมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจ ตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายถึงแม้จะได้ทาทานมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ทานไม่สามารถดึงใจให้กลับมาสู่สุกติให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทพเป็นถมได้ต้องมีศีลเป็นเหตุที่จะพาไปถ้าทำบุญให้ทานแต่ไม่รักษาศีลถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็อย่างน้อยก็จะมี เป็นดราชานที่มีรูปร่างสวยงามเป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้อื่นก็จะมีคนเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลเลี้ยงดูให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสวยงามมีสมบัติเข้าของเงินทองถ้าจะกลับมาเป็นมนุษย์และน่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็ต้องรักษาศีลห้าด้วย คือต้องบำเพ็ญศีลบารมีส่วนผู้ที่ปรารถนาที่จะไปในทางธรรมอยากจะไปสู่ความเจริญทางด้านมรรคผลนิพพานอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีคือนอกจากถือศีลห้าข้อแล้วศีลข้อที่สามก็ให้เปลี่ยนเป็นละเว้นจากการหลับนอนกับกับผู้อื่น ให้เป็นให้ถือศีลพรหมจรรย์และให้เพิ่มศีลข้อหกคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยมวันไปแล้วข้อเจก็คือให้ละเว้นจากการใช้เครื่องหอมต่างๆเช่นเครื่องสำอางน้ำหอมต่างๆให้แต่งกายแบบเรียบง่ายไม่ต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภร์ที่สวยๆงามๆ เพราะไม่ต้องการที่จะติดอยู่กับความสุขแบบนั้นให้หันมาหาความสุขที่เกิดจากการทําจิตใจให้สงบและข้อที่และให้ละเว้นจากการหาความสุขทางด้านบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด เวลาปลาที่ไม่ฉลาดไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็จะถูกเบ็ดเกี่ยวคอความสุขทางโลกก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อได้ติดความสุขทางโลกแล้วก็ต้องออกไปอยู่เรื่อยๆต้องหาความสุขอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ออกถ้าไม่ได้ทาไม่ได้ความสุขก็จะรู้สึกทรมานใจรู้สึกว่าเวเศร้าซ้อยหงอยเหงาแต่ถ้าหันมาหาความสุขทาง ความสงบของจิตใจแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนออกไปหาความสุขจากภายนอกอยู่คนเดียวก็ไม่ว้าเวไม่เศร้าส้อยงอยเหงาเพราะมีความสุขมีความอิ่มอยู่ภายในใจและข้อสุดท้ายคือสินข้อที่8ปก็คือให้ละเว้นจากการหลับนอนบนเตียงบนฟูกหนาหนาให้นอนบนพื้นธรรมดาปูเสือ่อปูผ้านอนก็พอ เพราะไม่ต้องการความสุขจากการหลับนอนต้องการเพียงแต่พักผ่อนร่างกายให้ได้มีได้รับพักผ่อนะจะได้มีกำลังวังชาที่จะตื่นขึ้นมาบาเพ็ญบรารมีต่อไปถ้านอนบนฟูกห น, หนาแล้วจะติดอกติดใจเพราะถึงแม้จะตื่นแล้วก็ยังไม่ยอมลุกยังขอหลับต่อไปอีกหลายชั่วโมง ก็จะทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็จะตื่นขึ้นมาและก็อยากจะก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะรีบลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งส ม, สมาธิมาปฏิบัติธรรมต่อไปจิตใจก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือเรื่องของ ในคัมมะบา ร, รมีที่เราถ้าสำหรับผู้ที่ปรารถนาะที่จะไปเจริญในทางโลกก็จะต้องบางเพ็ญบา ร, รมีข้อนี้เช่นในวันพระก็ถือศีลแปดกันหรือถ้ามีเวลาว่างก็เข้าวัดมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมสามวันบ้างเจดวันบ้างหรือบางท่านถ้าไม่มีภาระทางโลกจะออกบวชเป็นพระเป็นแม่ชีเลย ก็มีเป็นจำนวนมากเพราะเขาเห็นแล้วว่าความสุขทางโลกนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงยังจะต้องทุกข์อีกถึงแม้จะได้อะไรต่างๆสมหวังแล้วก็ตามถึงแม้จะได้สามีที่ตนปรารถนาได้ภรรยาที่ปรารถนาได้ลูกที่ปรารถนาได้ตำแหน่งได้สมบัติอะไรต่างๆสมความปรารถนาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาดจากกันความทุกข์ที่เกิดจากความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหนีพ้นไปได้นอกจากผู้ที่เจริญบําเพ็ญทางด้านทางธรรมคือบําเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้น ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปได้คือจิตจะมีปัญญาปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเมื่อไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับจิตใจนี่คือปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีคือมีความรู้ตามความจริงของชีวิตว่าไม่มีความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วมีความทุกซ่อนอยู่ล้วนมีความทุกติดมาด้วยได้อะไรมาก็จะมีความสุขในเบื้องต้นแล้วก็จะมีความสุขตามมาต่อไปผู้ที่มีปัญญาก็จะปล่อยวางได้การที่จะมีปัญญาก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่พวกเราทั้งหลายมาฟังกันเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องเอาไปบำเพ็ญต่อเอาไปเจริญต่อ เรียกว่าเอาไปภาวนาเอาไปสอนใจอยู่เรื่อยๆไปเตือนสติอยู่เรื่อยๆถ้าเตือนได้ทุกลมหายใจเข้าออกได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าจะได้ปัญญาที่แท้จริงเพราะถ้าเรามีปัญญาอยู่คู่ลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเวลาใจคิดอยากจะไปยึดไปติดกับอะไรก็จะมีปัญญามาคอยตัดมาคอยดึง ไว้ไม่ให้ไปยึดไม่ให้ไปติดเมื่อมีปัญญาคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาจิตก็จะไม่ยึดติดกับอะไรจะมีอะไรก็มีไปจะเสียอะไรก็เสียไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดามีมามีไปมีเกิดมีดับเป็นธรรมดานี่คือปัญญาบรารมีส่วนเมตตาบรารมีก็คือการมีจิตที่ ดีต่อผู้อื่นคิดดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นจะทำอะไรก็ตามจะทำดีหรือทำไม่ดีเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปแต่เราอย่าไปคิดร้ายกับผู้อื่นเพราะการคิดร้ายของผู้อื่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมจะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมสร้างเวรสร้างกรรมและทำให้จิตใจของเรา มีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มร้อนใจไปเปล่ปาๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาเราโกรธใครอย่างนี้ใจเราก็ร้อนแล้วเวลาเราเกลียดใครใจก็ร้อนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่โกรธใครใจเราก็สบายถ้าใจเราไม่เกลียดใครใจเราก็สบายเราจึงต้องมีการเจริญเมตตาบารมีอยู่เรื่อยๆเพราะไม่เช่นนั้นแล้วใจของเราจะถูกหลอก ให้โกรธให้เกลียดให้อาฆาตพยาบาทให้อิจฉาฤศยาแล้วจะทำให้เราต้องอยู่อย่างวุ่นวายใจแต่ถ้าเรามีเมตตาบา ร, รมีแล้วเวลาเจอใครเราก็คิดแต่ความปรารถนาดีขอให้เขามีความสุขขอให้เขาอยู่ไปนานๆขอให้เขาอย่ามีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมานี่คือการเจริญเมตตาบา ร, รมี เพื่อทำให้จิตใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองก่อนที่มีเมตตาท่านบอกว่าเตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเวลาฝันก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าอยากจะให้ผู้อื่นรักเราชอบเราเราก็ควรจะมีเมตตาบามีควรจะคิดดีกับผู้อื่นเสมอ แม้เขาจะคิดร้ายกับเราก็ให้อภัยกับเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมคิดเสียว่าใจของคนอื่นเราห้ามเขาไม่ได้แต่ใจของเราเราห้ามได้ใจที่คิดร้ายเขาก็ต้องมีผลร้ายกับตัวเขาเองเพราะคิดร้ายแล้วเขาก็ทุกข์เขาก็ร้อนอยู่ในใจของเขาถ้าเราคิดร้ายตามเขาเราก็ร้อนเราก็ทุกข์ตามไปด้วย แต่ถ้าเราให้อภัยเขาเราคิดว่าการคิดร้ายนี้เป็นโทษกับจิตใจของเราเราก็ไม่คิดร้ายกับเขาเราก็จะมีความเย็นมีความสบายและเราจะได้ไม่ต้องไปทำบาปทํากรรมแต่ถ้าเราคิดร้ายกับผู้อื่นแล้วเดี๋ยวเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปทำร้ายผู้อืน่นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยการกั่นแกล้งกันก็นดีหรือด้วยการ เอาทรัพย์ของเขามาก็ดีทําลายทรัพย์ของเขาก็ดีหรือทําลายชีวิตของเขาก็ดีมันก็เกิดขึ้นจากใจที่ไม่มีความเมตตานี่เองถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราจะอยู่เป็นคนดีได้จะไม่ไปทําอะไรเสียหายนี่คือเมตตาบารมีและบารมีข้อต่อมาก็คือ อุเบขาบารมีคือสรงสอนให้เราทำใจให้ว่างให้ปล่อยวางเพราะมีบางอย่างบางสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เราอยากจะได้อะไรบางทีเราก็ไม่สามารถได้มาตามความต้องการเช่นอยากให้ฝนตกวันนี้ฝนไม่ตกเราก็จะมีความเสียใจแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขา ปล่อยวางคือยิดดีตามมีตามเกิดอะไรจะเกิดก็ได้อะไรจะไม่เกิดก็ได้ถ้าอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่วุ่นวายใจถึงแม้เราจะรักใครชอบใครอยากจะให้เขาสุขอยากให้เขาสบายไม่อยากให้เขาทุกข์ไม่อยากจะให้เขาเดือดร้อนแต่เมื่อเขาไปทุกข์เขาไปเดือดร้อนขึ้นมาเราก็ไม่ควรที่จะไปทุกข์ไปเดือดร้อนตามกับเขาไป พราะไม่ได้ไปแก้ปัญหาของเขาแต่อย่างใดไม่ได้ไปทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาหายไปลือหมดไปแต่จะทำให้เราทุกข์เดือดร้อนไปเปล่าๆเราจึงต้องรู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขาต้องรู้จักแยกตัวเราออกจากผู้อื่นผู้อื่นเขาเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเราท่านจึงสอนให้เราเจริญบท ทำเสมอที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปไม่ว่าจะเพาะจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักเขาก็มีกรรมเป็นขงของเขาเหมือนกันเขาก็ต้องรับกรรมของเขาเมื่อถึงเวลา ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีเขาก็มีความสุขความเจริญถ้าเป็นผลของกรรมชั่วเขาก็ต้องมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความเสื่อมเหล่านี้เราไปห้ามไม่ได้เพราะกฎแห่งกรรมนี้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งกฎแห่งกรรมได้ มีแต่จะต้องรู้และเข้าใจถึงกฎว่าเป็นอย่างไรแล้วจะได้เอาประโยชน์จากกฎแห่งกรรมได้เช่นรู้ว่าทำดีได้ดีก็ทำแต่ความดีอย่างเดียวคิดดีพูดดีทำดีถ้ารู้ว่าคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายทำบาปทำกรรมแล้วมีแต่โทษตามมาก็หลีกเลี่ยงเสียอย่าไปทำเสียเท่านั้น เราก็จะได้รับแต่ผลดีของกรรมต่างๆของกรรมดีต่างๆที่ทำมาไม่มีใครทําแทนเราได้และเราก็ไปทําแทนผู้อื่นไม่ได้ทุกคนต้องทําของตนเองนี่คือความหมายของการทําใจให้เป็นอุเบกขาเวลาเห็นผู้อื่นเดือดร้อนทุกข์ยากลาบากถ้าพอช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าสุดวิสัยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าไม่เะนั้นแล้วจิตใจของเราจะวุ่นวายไปกับเรื่องของคนอื่นเขาไม่รู้จักจบจากสิ้นเห็นใครก็เดือดร้อนวุ่นวายก็วุ่นวายตามเขาไปโดยที่ไม่ได้ไปแก้ความวุ่นวายต่างๆได้เลยนี่คือข้ออุเบกขาบารมีข้อต่อมาก็คืออธิษฐานบารมีคือความตั้งใจ คำว่าอธิษฐานนี่ไม่ได้หมายถึงให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะขอไม่ได้อยากจะได้อะไรต้องมีความตั้งใจทำมันให้เกิดขึ้นมาอยากจะมาวัดก็ต้องตามใจมาวัดแล้วก็เดินทางมาวัดด้วยตนเองไม่ใช่ขอเฉยๆพอถึงเวลาก็ไม่มาอย่างนี้ก็มาไม่ถึงวันอยากจะได้อะไรก็ต้องทำมันขึ้นมาอยากจะไป มรรคผลนิพายก็ต้องเจริญบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยก็ต้องบำเพ็ญทางบา ร, รมีศีลบา ร, รมีอยากจะมีคนรักก็ต้องเจริญเมตตาบา ร, รมีเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีคือความตั้งใจเช่นตั้งใจว่าต่อไปนี้จะคิดดีเสมอกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่เรารักก็คิดดีต่อเขาคนที่เราเกลียดก็คิดดีต่อเขาถ้าเราคิดดีอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจแล้วต่อไปเราก็จะได้ทําได้เวลาเราเจอคนที่เราเกลียดแล้วเราจะคิดไปดีกับเขาเราก็จะได้ยับยั้งความคิดที่ไม่ดีได้ถ้าเราไม่ตั้งใจไว้ก่อนไม่มีอธิษฐานบารมีเราก็จะทําไปตามอารมณ์ของเรา พอเจอใครเราเกลียดเราก็จะคิดร้ายกับเขาทันทีแต่ถ้าเรามีบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีแล้วเราจะได้ตั้งใจคิดดีมีเมตตาอยู่ตลอดเวลานี่คือความหมายของอธิษฐานบา ร, รมีไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราต้องตั้งใจไว้ก่อนจะมาวัดก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนจะทำบุญก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนแม้กระทั่งจะทำบาป ก, ก็ต้องตั้งใจไว้ก่อน เช่นคิดจะไปฆ่าผู้อื่นในวันนี้คิดจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนี่ก็คือการตั้งใจแล้วถ้าเรามีความตั้งใจที่ไม่ดีเราจะได้รีบล้มล้างมันเสียอย่าไปทำมันถ้ามีความตั้งใจที่ดีก็รีบทำเสียคิดอยากจะทำบุญเมื่อไหร่ก็ทำไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอธิษฐานบารมีและเมื่อต่อจากอธิษฐานบารมีก็คือ ให้มีวิริยะบารมีให้มีความขยันหมั่นเพียรเมื่อคิดจะทำดีก็ขยันทำความดีให้มากๆาถ้าคิดจะละความการกระทาไม่ดีก็ขยันละอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่ามีมีวิริยะบารมีขยันทำดีขยันละความชั่วขยันทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลง และบารมีข้อสุดท้ายก็คือขันติบารมีเพราะการจะทำความดีนี้ต้องมีความอดทนทำความดีนี่ยากถ้าทำความดีง่ายโลกนี้ก็จะมีแต่คนดีเต็มไปบทแต่เนื่องจากใจของเรานี้มีกิเลสมีตัณหามีความอยากที่ชอบ <c oughs> ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีพอเราทาอะไรความดีเราจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกยากรู้สึกลาบากขึ้นมา เช่น จ, จะมาวัด น, นี่ก็รู้สึกยากแล้วต้องตื่นแต่เช้าแทนที่จะนอนดึกแล้วตื่นสายได้นะวันนี้ก็ต้องนอนแต่หัวค่าแล้วตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะได้มาวัดถ้าไม่มีความอดทนก็จะมาไม่ได้การจะทำความดีจึงต้องมีขันติบารมีอย่าท้อแท้เห็นคนอื่นเขาทำชั่วแล้วอย่าไปหลงคิดว่าเขาได้ดิบได้ดี เขาทำแล้วโอ้เขาได้ร่าได้รวยได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแต่เขาแต่เขาจะต้องไปใช้กรรมของเขาต่อไปถ้าเรามีความอดทนเราก็จะทนทำความดีของเราต่อไปถึงแม้จะยากจะจนจะลาบากอย่างไรจะไม่ร่มรวยเหมือนกับคนอื่นก็จะไม่รู้สึกหิดหนาระอาใจไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายเพราะเรามีความอดทนมีขันตินั่นเอง เหลนี้คือบารมีทั้งสิบที่เป็นเหตุที่จะนําพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องมีบรารมีทั้งสิบนี้จึงขอให้ท่านขนขวายบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆพยายามถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่จําเป็นยิ่งกว่างานอย่างอื่นงานอย่างอื่นเป็นเพียงงานสนับสนุน เช่นการทำรรมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เป็นงานสนับสนุนไม่มีความสําคัญมากเท่ากับการบําเพ็ญบุญบารมีจึงขอฝากเรื่องการบําเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้คือทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอธิษฐานบารมี วิริยะบรารมีและขันติบรารมีขอให้ท่านได้นำเอาไปบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆแล้วความสุขและความเจริญที่ท่านทั้งหลายปรารถนากัน <c oughs> ก็นจะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่า <c oughs> สมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธประธานพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วคกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ